อีกประการหนึ่งอาสัตบุรุษเป็นพระธรรมกถึกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นพระธรรมกถึกส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นพระธรรมกถึกเพราะความเป็นพระธรรมกถึกนั้นอาสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอาสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นพระธรรมกถึก ธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นพระธรรมกะถึกแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤตตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นพระธรรมกถึกนั้น สัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าทำของสัตว์บุรุษอีกประการหนึ่งสัตบุรุษเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัด ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเพราะความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนั้นอสัต์บุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตว์บุรุษส่วนสัตว์บุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัด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 สัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตว์บุรุษอีกประการหนึ่งสัตบุรุษเป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัด ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเพราะความเป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดนั้นอาสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอาสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เพราะความเป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมภิกษุนั้น เพราะความเป็นผู้ถือการทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่ง อาสัตว์บุรุษเป็นผู้ถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ถือการเที่ยวบิทบาทเป็นวัดส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดเพราะความเป็นผู้ถือการเที่ยวบิทบาทเป็นวัดนั้นอาสัตว์บุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตบุรุษ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 ประการหนึ่งอาสัพุรุษเป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดเพราะความเป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดนั้นอาสัพุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอาสัพุรุษ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 เธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสันเสรินในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้ถือการอยู่โคลนไม้เป็นวัดนั้นสัตว์บุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตว์บุรุษ ประการหนึ่งอาสัตบุรุษเป็นผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดละถึงเป็นผู้ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดเป็นผู้ถือการนั่งเป็นวัดเป็นผู้ถือการอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้เป็นวัดเป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดอาสัตบุรุษนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ ไม่เป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดเพราะความเป็นผู้ถือการฉันณอาสนะเดียวเป็นวัดนั้นอาศัตบรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอาศัตบรุษส่วนสัตบรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้ถือการฉันณนะอาสนะเดียวเป็นวัดธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไป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 สัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าทมของสัตว์บุรุษสมาบัติแปดประการ อีกประการหนึ่งอาสัตว์ปุรุษสงัดจากกรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌมานที่มีวิตกวิจารณปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่อาสัตว์ปุรุษนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้ปฐมฌมานสมาบัตส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้ปฐมฌานสมาบัตเพราะปฐมฌานสมาบัตินั้นอาสัตว์ปุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่น ภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอาศัปบุรุษส่วนอาศัปบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะปฐมฌานสมาบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอะตมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะปฐมฌานนสมาบัตินั้น สัตบุรุษนั้นจึงทำรรอัตมรรมยตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบ ร, งระงับไปอสัตบุรุษ บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุจตุทัชฌานอยู่อาสัตตุรุนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้จตุทัชฌา น, นสมาบัตส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้จตุทชฌา น, นสมาบัต เพราะจตุทัชานสมาบัตินั้นอสัตว์บุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตว์บุรุษส่วนสัตว์บุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะจตุทัชานสมาบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอตมัมมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้น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 เพราะล่วงรูปปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตัสัญญาโดยประการทั้งปวงอาสัตบุรุษบรรลุอากาสานันจายตนะโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้อากาสานันจายตนะสมาบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้อากาสานันจายตนะสมาบัติ เพราะอากาสาญจายตนะสมาบัตินั้นอาสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอาสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะอากาสาญจายตนะสมาบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอตรรมมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดใด เหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นเพราะอากาสานัญจายตนะสมาบัตนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทรรมอัตามมายตาเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษ อีกประการหนึ่งอัสัตว์บุรุษล่วงอากาสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้วิญญาณัญจายตนะสมาบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้วิญญาณัญจายตนะสมาบัติเพราะวิญญาณัญจายตนะสมาบัตินั้น อสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะวิญญาณัญจายตนะสมาบัติพระผู้มีพระภาคจึงรตรัสอตัมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้น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 มาสัตบุรุษก้าวล่วงวิญญาณัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุอากินัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้อากินัญญายตนะสมาบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้อากินัญญายตนะสมาบัตเพราะอากินัญญายตนะสมาบัตนั้น อาสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอาสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะอากินจัญญายตนะสมาบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอตัมมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนัน้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้น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 อสัตวบุรุษล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตนั้น อาสัตว์บุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอาสัตว์บุรุษส่วนสัตว์บุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้เพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอตรมมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนัน้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้น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 ประการหนึ่งสัตบุรุษล่วงเนวสัญญานาสัญญาญตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิจนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสะวะทั้งหลายของสัตบุรุษนั้นจึงสิ้นไปภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้แลย่อมไม่ถือตัวกับใครๆไม่ถือตัวในที่ไหนไหนและไม่ถือตัวด้วยเหตุไรๆพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสัพ ป, ปริสูตรที่สามจบ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 เรากล่าวกายยศมาจารความประพฤติทางกายไว้สองประการคือ 1. กายยมาจารที่ควรเสพสกายยมาจาร์ที่ไม่ควรเสพกายยมาจาร์ทั้งสองประการนั้นเป็นกายยมาจาร์ที่ตรงข้ามกันและกันเรากล่าววจีสมาจารความประพฤติทางวาจาไว้สองประการคือ 1. วจีสมาจาร์ที่ควรเสพ สอวจีสมาจารที่มีควรเสพวจีสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นวจีสมาจารที่ตรงข้ามกันและกันเรากล่าวมโนโสมาจารความประพฤติ ท, ทางใจไว้สองประการคือหนึ่งมโนสมาจารที่ควรเสพสองมโนสมาจารที่มีควรเสพมโนโสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นมโนสมาจารที่ตรงข้ามกันและกัน เรากล่าวจิตุบาตความเกิดขึ้นแห่งจิตไว้2ประการคือ 1. จิตุบาทที่ควรเสภสองจิตุบาตที่ไม่ควรเสพจิตุบาททั้งสองประการนั้นเป็นจิตุบาตที่ตรงข้ามกันและกันเรากล่าวการได้สัญญาไว้2ประการคือ 1. การได้สัญญาที่ควรเสภสองการได้สัญญาที่ไม่ควรเสพ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 2. การได้อัตภาพที่มีควรเสพการได้อัตภาพทั้งสองประการนั้นเป็นการได้อัตภาพที่ตรงข้ามกันละกันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรเรียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบเนื้อความแห่งธรรมบัญญายที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อ ไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดาร น, นี้โดยพิสดารอย่างนี้คือพระผู้มีพระภาคตรัสพระดํารักนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวกายยศมาจารไว้สองประการคือหนึ่งกายยมาจารที่ควรเสพสองกายยมาจารที่ไม่ควรเสภกายยศมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นกายยศมาจารที่ตรงข้ามกันและกัน พระทรงอาศัยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้นเมื่อบุคคลเสพกายยสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงกายยสมาจารเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพกายยสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นกายยสมาจารเช่นนี้ควรเสพพระพุทธเจ้าค่ะ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 หญิงที่อยู่ในปกครองของตระกูลหญิงที่มีธรรมคุ้มครองหญิงที่มีสามีหญิงที่มีศินไหมติดตัวอยู่โดยที่สุดแม้หญิงที่ชายคล้องพวงดอกไม้มั่นไว้เมื่อบุคคลเสพกายสมาจายเช่นนี้อุปสมณธรรมเจริญขึ้นอุปสมธรรมเสื่อมลงพระพุทธเจ้าค่ะ บุคคลเสพกายยศมาจาร์เช่นใดอกุศสลธรรมเสื่อมลงกคุโลธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์วางทันธาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอนดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่เป็นผู้ละเว้นขาจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือไม่ถือเอาทรัพย์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่น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 หญิงที่อยู่ในปกครองของตระกูลหญิงที่มีรำคุ้มครองหญิงที่มีสามีหญิงที่มีสินไหมติดตัวอยู่โดยที่สุดแม้หญิงที่ชายคล้องพวงดอกไม้มั่นไว้เมื่อบุคคลเสพกายสมาจารย์เช่นนี้อกุสลธรรมเสื่อมลงกุสลธรรมเจริญขึ้นพระพุทธเจ้าข้าพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวกายยสมาจารไว้สองประการคือหนึ่งกายสมาจารที่ควรเสภสกายสมาจารที่ไม่ควรเสภกายยสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นกายยสมาจารที่ตรงข้ามกันและกันนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสไว้พระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าจีสมาจารไว้สองประการคือ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 วจีสมาจารเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสภวจีสมาจารเช่นใดอกุสนธรรมเสื่อมลงกุสนธรรมเจริญขึ้นวจีสมาจารเช่นนี้ควรเสบพระพุทธเจ้าข้า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 กุศลธรรมเสื่อมลงพระพุทธเจ้าค่าเมื่อบุคคลเซวจีสมาจาร์เช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้และการพูดเท็จ เว้นขาจากการพูดเท็จได้แล้วคืออยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารหรืออยู่ท่ามกลางราชสำนักถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่าพ่อคุณเชิญเถิดท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่รู้ก็พูดว่าไม่รู้หรือรู้ก็พูดว่ารู้ไม่เห็นก็พูดว่าไม่เห็น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 เป็นผู้สมานคนที่แตกแยกกันหรือส่งเสริมคนที่มีประโยชน์ร่วมกันมีความสามาคัคคีเป็นที่ชื่นชมยินดีในความสามาคัคคีเรื่อนเริงในสามาัคคีธรรมเป็นผู้กล่าววาจาก่อให้เกิดความสามาคัคคีและการพูดคำหยาบเว้นขาจากการพูดคำหยาบได้แล้ววาจาใดไร้โทษสนอะโสดน่ารักจับใจเป็นถ้อยคาของชาวเมือง คนส่วนใหญ่ชอบใจคนส่วนใหญ่พอใจก็กล่าววาจาเช่นนั้นและการพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อได้แล้วพูดถูกเวลาพูดจริงพูดอิงอัดพูดอิงทำพูดอิงวินัยกล่าววาจาเป็นหลักฐานมีที่อ้างอิงมีต้นมีปลายประกอบด้วยประโยชน์ตามการอันสมควรเมื่อบุคคลเสวจีสมาจารเช่นนี้ อกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระพุทธเจ้าค่ะพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเกล่าววาจีสมาจารไว้สองประการคือหนึ่งวจีสมาจารที่ควรเสพสองวจีสมาจารที่ไม่ควรเสพวจีสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นวจีสมาจารที่ตรงข้ามกันและกัน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 พระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลเสพมโนสม ajaan าาเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงมโนสมาจารเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อเสบมโนสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นมโนสมาจารเช่นนี้ควรเสพพระพุทธเจ้าค่า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 ขอสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงถูกทำลายจงขาดสูญจงพินาศไปหรืออย่าได้มีเมื่อบุคคลเสมโนสมาจารเช่นนี้อากุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงพระพุทธเจ้าค่ะ บุคคลเสพมโนสมาจาร์เช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของเขาคือไม่เพ่งเลงอยากได้ซัพย์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าทำอย่างไรซัพย์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นจะพึงเป็นของเราเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทคือไม่มีจิตคิดร้ายว่าขอสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีจิตยพยาบาทไม่มีความทุกข์มีความสุขรักษาตนเถิดเมื่อบุคคลเสบโมโนสมาจาร์เช่นนี้อกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระพุทธเจ้าข่าพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวโมโนสมาจารไว้สองประการคือหนึ่งมโนสมาจาร์ที่ควรเสพ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 พระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวจิตุบาไว้สองประการคือหนึ่งจิตุบา ท, ที่ควรเสพสองจิตุบาทที่ไม่ควรเสพจิตุบา ท, ทั้งสองประการ น, นั้นเป็นจิตุบา ท, ที่ตรงข้ามกันละกันเพราะทรงอาศัยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้นเมื่อบุคคลเสพจิตุบาเช่นใด อากุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงจิตุบาเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพจิตุบาเช่นใดอากุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นจิตุบาเช่นนี้ควรเสพพระพุทธเจ้าค่ะ เมื่อบุคคลเสพจิตุบาเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของเขามีจิตสหรฆด้วยอภิชาอยู่เป็นผู้ปองร้ายเขามีจิตสหรฆด้วยพยาบาทอยู่เป็นผู้มีความเบียดเบียนมีจิตสหรฆด้วยความเบียดเบียนอยู่เมื่อบุคคลเสพจิตุบาเช่ในนี้ กุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อบุคคลเสพจิตุบาเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขามีจิตไม่สหรคตด้วยอภิชาอยู่เป็นผู้ไม่พยาบาทมีจิตสหรคตด้วยความไม่พยาบาทอยู่เป็นผู้ไม่เบียดเบียนอยู่มีจิตสหรคตด้วยความไม่เบียดเบียนอยู่เมื <ME> ่อบุคคลเสพจิตุบาทเช่นนี้อกุลธรรมเสื่อมลงกุลธรรมเจริญขึ้นพระพุทธเจ้าค่า พระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวจิตุบาไว้สองประการคือ 1. ึจิตุบา ท, ที่ควรเสภสจิตุบา ท, ที่ไม่ควรเสพจิตุบา ท, ทั้งสองประการ น, นั้นเป็นจิตุบา ท, ที่ตรงข้ามกันละกันนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสไว้